กุมาราเปตวัตถุเรื่องกุมาราเปรตเมื่อจะประกาศเรื่องของกุมาราเปรตนั้นพระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวเจตคาถาว่าพระยางของพระสุคต์น่าอัศจรรย์โดยที่พระาศาสดาทรงพยากร์บุคคลได้อย่างถูกต้องว่าบุคคลบางเหล่าในโลกนี้มีบุญมากก็มีบางเหล่ามีบุญน้อยก็มีขหาบดีผู้นี้เมื่อยังเป็นเด็กถูกเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นอยู่ด้วยน้ำนมที่ไหลออกจากนิ้วมือตลอดราตรียักและพูดผีปีศาจหรือสัตว์เลื้อคลานก็ไม่เบียดเบียนเด็กผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วแม่สุนักทั้งหลายก็พากันมาเลียเท้าทั้งสองของเด็กนั้นฝูงเหยี่ยวและสุนักจิ้งจอกก็พากันมาวนเวียนรักษาฝูงนกก็พากันข้าบรกไปทิ้งส่วนฝูงกาพากันข้าบคีตาออกไป มนุษย์และอมนุษย์ไร่ไรไม่ได้จัดการรักษาเด็กนี้หรือใครๆที่จะปรุงยาหรือทําการบําบัดด้วยมเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ได้มีและไม่ได้ถือเอาการประกอบเรือกยามทั้งไม่ได้โปรยธัญชาติทั้งปวงเด็กที่บุคคลนํามาทิ้งไว้ในป่าช้าในยามราตรีได้รับความลําบากอย่างยิ่งเช่นนี้สันเทาอยู่เป็นดุกก้อนเนยข้นยังเหลืออยู่เพียงชีวิตมีความสงสัยว่า ตัวจะรอดหรือไม่รอดหนอพระผู้มีพระภาคผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วทรงมีพระปัญญากว้างขวางได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วครั้นแล้วได้ทรงพยากรณ์เด็กนั้นว่าเด็กคนนี้จกเป็นผู้มีสกุลสูงสำหรับนครนี้อุบาสกซึ่งอยู่ในที่ใกล้พระศาสดาทูลถามว่าข้อปฏิบัติของเขาเป็นอย่างไรพรหมจาร์ของเขาเป็นอย่างไร เขาประพฤติข้อปฏิบัติละโพรหมจรรย์อย่างไรจึงมีวิบากอย่างนี้เขาถึงความพินาศเช่นนี้แล้วจึงกลับมาสวยความสำเร็จเช่นนั้นนั้นพระสังคีติกาจาร์เมื่อจะแสดงคาพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวสีคถาว่าเมื่อก่อนมูชนได้ทําการบูชาพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอย่างโอฬารเด็กนั้นได้มีความคิดเห็นในการบูชานั้นเป็นอย่างอื่นไป เขาเรียกล่าววาจาหยาบคายซึ่งไม่ใช่ของสัตว์ปุรดภายหลังเขาบรรเทาความคิดนั้นแล้วกลับได้ปีติและความเลื่อมใสได้บำรุงพระท้าคตซึ่งประทับอยู่ที่พระเชตวันด้วยข้าวต้มเจ็ดวันข้อนั้นเป็นข้อปฏิบัติและพระมรรจันของเขาเขาประพฤตเช่นนั้นจึงมีวิบากอย่างนี้เขาถึงความพินาศเช่นนั้นแล้วจะกลับได้สวยความสาเร็จเช่นนั้น เขาอยู่ในมนุษยโลกนี้แหละเป็นเวลาร้อยปีเป็นผู้พร่่งพร้อมด้วยการมาคุณทุกอย่างหลังจากตายไปจะเข้าถึงความเป็นสหายของท้าววาสวะในสัมรารภพกุมารเปตะวัตุที่หจบ 6. เซรินีเปติวัตุเรื่องนางเซรินีเปรตอุบาสกคนหนึ่งถามนางเซรินีเปรตว่า นางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซสี้โครงปรากฏเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพร่งไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครเล่ามาเยือนอยู่ที่นี้นางเสรีณีเปรตตอบว่าท่านผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเปรตในโยมโลกได้รับความลําบากเพราะทํากรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกอุบาสกถามว่า เมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกนางเสรีนีเปรยตอบว่าเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นดูดท่าน้ำซึ่งไม่มีใครหวงห้ามมีอยู่ดิฉันเก็บซับไว้ประมาณกลึ่งมาสกเมื่อไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนดิฉันกระหายน้าจึงเข้าไปใกล้แม่น้ำ แม่น้ำกลับกลายเป็นว่างเปล่าไปในเวลาร้อนเข้าไปใกล้ร่มไม้ร่มไม้กลับกลายเป็นแดดไปทั้งลมก็ร้อนเหมือนไฟพัดดิฉันฟุ้งไปท่านผู้เจริญดิฉันสเสวยทุกมีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกอย่างอื่นที่หนักกว่านั้นท่านไปถึงหัตถินีนครแล้วช่วยบอกมารดาของดิฉันว่าเราเห็นทิดาของท่านตกยากเกิดในโยมโลก เพราะทำกรรมชั่วไว้เขาจึงตายไปเกิดยังเปรตโลกดิฉันมีทรัพย์อยู่สี่แสนเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงทั้งยังไม่ได้บอกใครๆไว้ขอมารดาของดิฉันจงเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งจากที่เก็บซ่อนไว้นั้นให้ทานบ้างเลี้ยงชีพบ้างครั้นให้ทานแล้วจงอุทิศส่วนบุญมาให้ดิฉันบ้างเมื่อ น, นั้นดิฉันจักมีความสุขสาเร็จความประสงค์ทุกอย่าง กูบาสกนั้นรับคำของนางว่าสาทุและไปถึงหัตถินีนครได้บอกมารดาของนางว่าฉันเห็นที่ดาของเธอตกยากเกิดในโยมโลกเพราะทาชั่วไว้นางจึงตายไปเกิดยังเปตะโลกณนะที่นั้นนางสั่งฉันว่าท่านไปถึงหัตถินีนครแล้วช่วยบอกมารดาของดิฉันว่าเราเห็นที่ดาของท่านตกยากเกิดในโยมโลกเพราะทกากรรมชั่วไว นางจึงตายไปเกิดยังเปตาโลกดิฉันมีทรัพย์อยู่สี่แสนเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงทั้งยังไม่ได้บอกใครๆไว้ขอมารดาของดิฉันจงเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งจากที่เก็บซ่อนไว้นั้นให้ทานบ้างเลี้ยงชีพ บ, บ้างครั้นให้ทานแล้วจงอุทิศส่วนบุญให้แก่ดิฉันบ้างเมื่อ น, นั้นดิฉันจะมีความสุขสำเร็จความประสงค์ทุกอย่างมารดาของนางเสรินีเปรตนั้น ถือเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งจากที่นางเสรินีเปรตเก็บซ่อนไว้นั้นมาให้ทานครั้นให้แล้วได้อุทิศส่วนบุญไปให้นางนางเสรินีเปรตมีความสุขและแม้มานดาของนางก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเซรินีเปติวัตุที่6จบ 7. มิคลุธกะเปตะวัตุเรื่องเปรตพรานเนื้อพระนาระทะเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า ท่านยังหนุ่มมีเทพประบุตรและเทพธิดาห้อมล้อมงามด้วยกามคุณทั้งหลายซึ่งทำให้เกิดความกำนัดยินดีได้สวยเหตุแห่งทุกในกลางวันชาติก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้อมีฝ่ามือเปื้อนเลือดเป็นคนหยาบช้าทารุณอยู่ที่เขาคิริ พ, พชะเป็นที่น่ารื่นรมใกล้กรุงราชครื้ซึ่งน่ารื่นรม ข้าพเจ้ามีใจประทุร้ายในสัตว์มีชีวิตจำนวนมากหยาบช้าทารุณอย่างยิ่งชอบเบียดเบียนสัตว์เอิญไม่สำรวมเที่ยวไปเป็นนิดข้าพเจ้านั้นมีสหายใจดีมีศรัทธาเป็นอุบาสกคนหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้เอนดูข้าพเจ้าจึงห้ามอยู่บ่อยๆว่าพ่อเอ๋ยอย่าได้ทำชั่วเลยอย่าได้ดำเนินทางผิดเลยถ้าสหายปรารถนาความสุขเมื่อตายไป จงงดเว้นการฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นการไม่สำรวมเสียเถิดเขาพเจ้าฟังคำของเขาผู้หวังดีมีความเอ็นดูด้วยประโยชน์เกื้อกูลแต่ไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของเขาทั้งสิ้นเพราะเป็นคนไม่มีปัญญายินดีในบาปมาช้านานเขามีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินแนะนำาขาพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมด้วยอนุเคราะห์อีกว่าถ้าท่านจะฆ่าสัตว์ในกลางวัน ในเวลากลางคืนก็จงงดเว้นเสียเข้าพเจ้านั้นจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวันกลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้นเพราะฉะนั้นกลางคืนเข้าพเจ้าจึงได้รับการบำรุงบำรเรอกลางวันประสบทุกข์ถูกสุนัขรุมกัดกินคือกลางคืนได้เสวยที่พยสมบัติด้วยผลแห่งกุศ ล, ลกรรมนั้นกลางวันฝูงสุนัขดุร้ายพากันวิ่งเข้ามากัดกินเข้าพเจ้ารอบด้าน ชนเหล่าใดมีความเพียรนเนืองๆเอาทุระในพระาศาสนาของพระสุคตอย่างมั่นคงเขาพระเจ้าเข้าใจว่าชนเหล่านั้นแหละจะได้บรรลุอมะตะบทซึ่งปัจจัยอะไรๆรปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอนมิขลุทธะเปตะวัตุที่เจ็จบ ทุติยมิคลุทกะเปตะวัตถุเรื่องเปรดพราเนื้อเรื่องที่สองพระนารทาเทระถามเปรยตนหนึ่งว่าท่านรื่นรมอยู่บนบันลังที่ในเรือนยอดและปราสาทปูลา ด, ด้วยผ้าขนสัตว์ด้วยดนตรีเครื่องห้าซึ่งบุคคลประโคมแล้วอย่างไพเราะภายหลังเมื่อสิ้นราตรีดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกท่านเข้าไปประสบทุกข์เป็นอันมากอยู่ในป่าช้า เมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องประสบทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้อเป็นคนหยาบช้าทารุณไม่สำรวมอยู่ที่ภูเขาคริพรชัชะเป็นที่น่ารื่นรมใกล้กรุงราชครึซึ่งน่ารื่นรมข้าพเจ้านั้นมีสหายใจดีมีศรัทธาเป็นอุบาสกคนหนึ่ง เขามีภิกษุที่คุ้นเคยกันซึ่งเป็นสาวกของพระสมณะโคดมเพราะเขาเอนดูข้าพเจ้าจึงห้ามอยู่บ่อยๆว่าพ่อเอย๋ยอย่าได้ทำชั่วเลยอย่าได้ดาเนินทางผิดเลยถ้าสหายปรารถนาความสุขเมื่อตายไปจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นการไม่สำรวมเสียเถิดข้าพเจ้าฟังคำของเขาผู้หวังดีมีความเอนดูด้วยประโยคเลื่อกูลแต่ไม่ได้ทาตามคาสั่งสอนของเขาทั้งสิ้น เพราะเป็นคนไม่มีปัญญายินดีในบาปมาช้านานเขามีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินแนะนํำข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสํารวมด้วยความอนุเคราะห์อีกว่าถ้าท่านจะฆ่าสัตว์ในกลางวันในเวลากลางคืนก็จงงดเว้นเสียข้าพเจ้านั้นจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวันกลางคืนเป็นผู้สํารวมงดเว้นเพราะฉะนั้นกลางคืนข้าพเจ้าจึงได้รับความสุขกลางวันประสบทุกข์ ถูกสุนัขรุมกัดกินคือกลางคืนได้สเสวยทีพยสมบัติด้วยผลแห่งกุศลกรรมนั้นกลางวันถูกฝูงสุนัขดุร้ายพากันวิ่งเข้ามากัดกินข้าพเจ้ารอบด้านชนเหล่าใดมีความเพียรเนืองๆเอาทุระในพระศาสนาของพระสุคตอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเข้าใจว่าชนเหล่านั้นแหละจะได้บรรลุอมะตะบทซึ่งปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอน ทุติยมิคลุทะกะเปตวัตถุที่8จบกาวกูตะวินิชยิกะเปตวัตถุเรื่องเปรตอดีตผู้พิพากษาโกงพระนาระทะเทระถามเปรตตนหนึ่งว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสวมกำไลทองรูปลล้ด้วยจุนแก่นจันท่านมีสีหน้าผ่องใสงดงามดูแสงอาทิตย์อ่อ น, ออน ท่านมีเทพประบุตและเทพธิดาพวกละหนึ่งหมื่นสวมกำไลทองนุ่งห่มผ้าคลิปด้วยทองพวกละหนึ่งหมื่นคอยบำรุงบำาเรอท่านมีอนุภาพมากมีรูปชวนให้เกิดขนลุกแต่ผู้พบเห็นแต่ท่านจิกเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหารเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงจิตเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหารเปรตนั้นตอบว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติทุจริตด้วยการพูดส่อเสียดพูดเท็จและด้วยการอําพรางหลอกลวงเพื่อความฉิบหายแก่ตนเองในมนุษย์โลกในมนุษย์โลกนั้นข้าพเจ้าไปยังชุมชนแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะพูดความจริงและเหตุผลเสียประพฤติคล้อยตามอธรรมผู้ประพฤติทุจริตมีพูดส่อเสียเป็นต้น ย่อมจิตเนื้อหลังตนเองกินเหมือนข้าพเจ้าจิกเนื้อหลังตนเองกินอยู่ในทุกวันนี้ข้าแต่พระนาระ ท, ะทุกที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วเหล่าชนผู้ฉลาดมีความอนุเคราะห์พึงกล่าวสอนว่าท่านอย่าได้พูดส่อเสียดและอย่าได้พูดเท็จอย่าได้กินเนื้อหลังของตนเป็นอาหารเลยกูตะวินิชยิกะเปตวัตุที่เก้าจ๋ สิทธาตุวิวรรณะเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุพระมหากษัตริเทระถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านอยู่ในอากาศมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปและหมูนอนพากันชอนชัยกินปากที่มีกลิ่นเหม็นเน่าของท่านเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เพราะการฟุ้งไปแห่งกลิ่นเหม็นนั้น ในนิรยบาลเธอศาสตรามาเฉือนปากที่มีแผลซ้ําแล้วซ้ําอีกเอาน้ําแสบราดตรงที่เฉือนแล้วเชื่อซ้ําอีกเมื่อก่อนท่านทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องประสบทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าท่านผู้นิรทุกข์เมื่อก่อนข้าพเจ้าอยู่ที่ภูเขาคิริพระชะเป็นที่น่ารื่นรมใกล้กรุงราชครื้ซึ่งน่ารื่นรม เป็นเจ้าของทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายยิ่งเข้าพเจ้าได้ห้ามพันยาธิดาและลูกสะพ้ายของเข้าพเจ้านั้นซึ่งพากันนำพวงมลาลัยดอกอุบลและเครื่องรูปไล้ใหม่ๆไปเพื่อบูชาพระสถูกบาปนั้นเข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วพวกเราจึงได้เสวยทุกขเวทนาต่างๆกันจากหมกไหมอยู่ในนรกแสนสาหัสถึง 86,000 ปีเพราะตาหนิการบูชาพระสถู t เมื่อการบูชาและการฉลองพระสถูทปของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปอยู่ชนเหล่าใดประกาศโทษแห่งการบูชาพระสถูทปเหมือนเราท่านพึงคัดชนเหล่านั้นออกจากบุญนั้นอันหนึ่งเชิญท่านดูเทพธิดาเหล่านี้ซึ่งทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายเหาะมาพวกนางมั่งคั่งและมีบริวารยศสวยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เห็นผลหน่าอัศจรรย์หน้าขนลุกขนชันซึ่งไม่เคยมีมาแล้วนั้นย่อมทำการนอบน้อมกราบไหว้พระมหามุนีนั้นข้าพเจ้าจากเปตตะโลกนี้ไปแล้วได้เถือกํำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ไม่ประมาททำการบูชาพระสถูปบ่อยๆแน่แท้ท่าตุวิวันนะเปตะวัตุที่ส0บจบจูลวรคที่สามจบ รวมเรื่องเปรตที่มีในวักนี้คือ 1. อภิชะมานะเปตวัตถุ 2. สานุวาสีเถระเปตะวัตถุ 3. รัฐการะเปติวัตถุ 4. ผู้สะเปตะวัตถุ 5. กุมาระเปตวัตถุ 6. เซรินีเปติวัตถุ 7. มิคลุทกะเปตะวัตถุ 8. ทุติยมิคลุธกะเปตะวัตถุ 9. กูตะวินิชยิกะเปตะวัตถุ 10. ทาตุวิวรรณะเปตะวัตถุ 4. มหาวัตหมวดใหญ่ 1. อัมภสักระเปตะวัตถุเรื่องเจ้าอัมพสักระลิชวีกับเปรดเปลือยชาเมืองวัชีมีนครนามว่าภัยาลีในนครภัยาลีนั้นมีกษัตริลิชวีพระนามว่าอัมภสักระได้ทอดพระเนตรเห็นเปรตที่ภายนอกพระนครมีพระประสงค์จะทรงทราบเหตุจึงได้ตรัสถามเปรตนั้นในที่นั้นนั่นเองว่า บุคคลที่ถูกเสียบอยู่บนปลายเหล่านี้ไม่มีการนอนการนั่งการเดินไปเดินมาและการลิ้มการเดิมการเคี้ยวกินการนุ่งห่มผ้าแม้หญิงบำเรอของเขาก็ไม่มีชนเหล่าใดเป็นญาติปินมิสหายซึ่งเคยเห็นหรือเคยได้ยินกันมาเคยเอนดูกันมาในการก่อนของผู้นี้เดี๋ยวนี้ชนเหล่านั้นแม้จะเยี่ยมเย็ยนเขาก็ไม่ได้ เพราะว่าผู้นี้มีสภาพที่ชนนั้นสละแล้วผู้ที่ตายแล้วย่อมไม่มีมิสหายพวกมิสหายทราบถึงความขาดแคลนจึงพากันละทิง้งและเห็นประโยชน์จึงพากันห้อมล้อมส่วนผู้ที่มั่งข้างด้วยทรัพย์สมบัติย่อมมีมิสหายมากมายชีวิตของบุรุษที่เสื่อมจากเครื่องอุปโภคและบริโภคทุกอย่างฝืดเคืองถูกแล้วเสียบตัวมีร่างกายเปื้อนเลือด จะดับในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้เป็นแน่ดุดหยาดน้ําค้างซึ่งติดอยู่บนปลายหญ้ายักษเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรท่านจึงพูดกับบุรุษผู้ได้รับความลําบากอย่างยิ่งนอนงายอยู่บนล้วด้ามไม้สเสดาเช่นนี้ว่าบุรุษผู้เจริญขอท่านจงมีชีวิตอยู่เถิดการมีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นความประเสริฐเปรตนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระราชา ข้าพระองค์ระลึกได้ว่าในชาติก่อนบุรุษนี้เป็นญาติสายโลหิตของข้าพระองค์ก็ข้าพระองค์เห็นแล้วมีความกรณาต่อเขาว่าขอบุรุษผู้เลวทรามนี้อย่าตกนรกเลยข้าแต่กษัตริย์ลิชวีบุรุษผู้ทํากรรมชั่วนี้ตายจากอัตภาพนี้แล้วจกบังเกิดในนรกซึ่งแน่นขนาดไปด้วยสัตว์ผู้กระทําความชั่วไว้เป็นนรกร้ายกาศ มีความเร่าร้อนมากเผ็ดร้อนน่ากลัวแล้วนี้แหละยังดีกว่านรกนั้นมากมายหลายส่วนขอบุรุษนี้อย่ากตกนรกซึ่งมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวเผ็ดร้อนอย่างน่ากลัวรุนแรงยิ่งเพราะฟังคำของข้าพระองค์นี้แล้วบุรุษนี้เป็นประหนึ่งว่าน้อมจิตเข้าไปหาทุกข์ในนรกพึงละบาปเสียได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่พูดในที่ใกล้เขาด้วยหวังว่า ชีวิตของบุรุษนี้จงอย่าดับไปเพราะฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเมื่อเปรตแสดงความประสงค์ของตนอย่างนี้แล้วพระราชาทรงขอโอกาสเพื่อจะตรัสถามความเป็นไปของเปรตนั้นอีกจึงได้ตรัสกถานี้ว่าเรื่องของบุรุษนี้เรารู้แล้วแต่เราปรารถนาจะถามท่านถึงเรื่องอื่นบ้างถ้าท่านให้โอกาสแก่เราเราจะถามและท่านไม่ควรโกรธเรา เปรตนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ให้ปฏิญญาไว้ในการนั้นแน่นอนแล้วจะไม่บอกแก่ผู้ที่ไม่เลื่อมใสแต่บัดนี้ข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะบอกแต่มีวาจาที่ควรเชื่อถือได้เพราะเหตุดังว่ามานี้ขอเชิญพระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ตามพระประสงค์ข้าพระองค์จะทูลตอบเท่าที่จะทูลตอบได้เมื่อเปรตให้โอกาสเช่นนั้นแล้ว เจ้าอัมภะสัรลิฉวีจึงตรัสถามว่าเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นด้วยตาถ้าแม้เราเห็นสิงนั้นแล้วไม่เชื่อก็ขอให้ลงโทษถอดยศเราเถิดยักษ์เปรตนั้นกราบทูลว่านี้ขอจงเป็นสัจจะปะติญญาของพระองค์ต่อข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงฟังธรรมแล้วจงทรงได้ความเลื่อมใสดีงามข้าพระองค์ต้องการทราบมิได้มีจิตคิดประทุษร้าย จะขอกราบทูลถวายทุกเรื่องที่พระองค์ได้สดับแล้วบ้างหรือไม่ได้สดับแล้วบ้างแด่พระองค์เท่าที่รู้มาเจ้าอัมภะสักระลิชวีตรัสว่าท่านขี่ม้า ข, ขาวประดับประดาแล้วเขาเ้าไปใกล้บุรุษที่ถูกเสียบด้วยลาวยานนี้น่าอัศจรรย์น่าดูน่าชมนี้เป็นผลกรรมอะไรเปรตนั้นกราบทูลว่าที่ถ้ำกลางเมืองภั า, าลีนั้นมีหลุมที่ขนทางลื่น าพระองค์มีจิตเลื่อมใสจึงใส่หัวโคหัวหนึ่งลงไปในหลุมใช้เป็นสะพานข้าพระองค์และบุคคลอื่นเหยียบบนหัวโคนั้นเดินข้ามไปได้ยานนี้น่าอัศจรรย์น่าดูน่าชมนี้เป็นผลกรรมนั้นเจ้าอัมภะสักระฤชวีตรัสถามว่าท่านมีรัศมีกายสว่างสวัยทั่วทุกทิศและมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศเข้าถึงเทวริษมีอนุภาพมาก แต่ยังเปลือกายอยู่นี้เป็นผลกรรมอะไรเปรตนั้นกราบทูลว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์ไม่เป็นคนมักโกรธมีจิตผ่องใสเป็นนิดพูดกับคนทั่วไปด้วยวาจาอ่อนหวานด้วยผลกรรมนั้นข้าพระองค์จึงมีรัศมีกายเป็นทิพย์สว่างสวัยอยู่เนืองนิดข้าพระองค์เห็นยศและชื่อเสียงของผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีจิตเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญด้วยผลกรรมนั้น ข้าพระองค์จึงมีกลิ่นทิพฟุ้งไปเนืองเนืองเมื่อพวกสหายของข้าพระองค์อาบน้ําที่ท่าน้ําข้าพระองค์ลักเอาผ้าที่เขาซ่อนไว้บนบกมีความประสงค์จะล้อเล่นแต่ไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเพราะกรรมนั้นข้าพระองค์จึงเป็นเปลือเปลือยกายและเป็นอยู่อย่างเฟื่องเฟือเจ้าอัมพะสักระิชวีตระถามว่าผู้ที่ทําบาปเล่นๆโดยเห็นแก่ความสนุก นักปราดยังกล่าวว่ามีผลกรรมถึงเพียงนี้และผู้ที่จงใจทําบาปเล่านักปราเดเรียกล่าวว่าจะมีผลกรรมสักเพียงไหนเปรตนั้นกราบทูลว่ามนุษย์ทั้งหลายมีใจดมริชั่วร้ายเป็นผู้เศร้าหมองทั้งทางกายทั้งทางวาจาตายไปจะต้องตกนรกในสัมปรายพบอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนชนเหล่าเอ่ญปรารถนาสุขติยินดีให้ทานเลี้ยงอัตภาพแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติในสัมปรายภพอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเปรตชี้แจงจำแนกผลกรรมแต่โดยย่ออย่างนี้พระราชาไม่ทรงเชื่อจึงตรัสถามว่าเราจะพึงรู้เรื่องนั้นโดยไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นอย่างไรว่านี้เป็นผลกรรมดีและกรรมชั่วเราเห็นอะไรแล้วจึงควรเชื่อหรือใครบ้างจะพึงช่วยชี้แจงให้เราเชื่อเรื่องนั้นได้เปรตนั้นกราบทูลว่า พระองค์ทรงเห็นและทรงสดับมาแล้วก็จงทรงเชื่อเถิดว่านี้เป็นผลกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อกรำรดีและกรรมชั่วทั้งสองไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่ไปสู่สุคติหรือทุคติจะพึงมีได้อย่างไรเล่าถ้าสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้ไม่พึงทํากรรมดีและกรรมชั่วเหล่าสัตว์ในมนุษย์โลกที่จะไปสุคติหรือทุคติเลวบ้างประณีตบ้างก็มีไม่ได้ แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกได้ทํากรรมดีและกรรมชั่วไว้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกจึงไปสุกติหรือทุกติเลวบ้างประณีตบ้างบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวกรรมอันเป็นเหตุให้เสวยสุขและทุกข์ไว้ทั้งสองอย่างเทวดาเหล่านั้นห้อมล้อมเหล่าชนที่ได้รับผลอันเป็นเหตุให้เสวยสุขส่วนพวกคนพาลมักไม่เห็นกรรมและผลกรรมทั้งสองจึงถูกกรรมแผดเผาอยู่ ข้าพระองค์ไม่ได้มีบุญกรรมที่ทําไว้ด้วยตนเองทั้งไม่มีผู้ที่จะพึงถวายผ้านุ่งผ้าหม่มที่นอนข้าวและน้ําแล้วอุทิศให้เหตุนั้นข้าพระองค์จึงเป็นเปรเปล่ากายมีความเป็นอยู่อย่างฝฟื่องเฟืองเจ้าอัมภะสักระลิชวีตรถามว่าท่านยักษ์จะพึงมีเหตุอะไรอะไรบ้างหนอที่จะทําให้ท่านได้เครื่องนุ่งหม่มเชิญบอกเราได้ถ้ามีเหตุ เรารับฟังคำที่มีเหตุควรเชื่อถือได้เปรตนั้นกราบทูลว่าเมืองไพศาลีนี้มีภิกษุนามว่ากัปปิตกะสำเร็จฌานมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์หลุดพ้นแล้วคุ้มครองอินทรีย์ได้สำรวมในพระปฏิโมคเยือกเย็นมีสัมมาทิฏฐิอันสูงสุดเป็นผู้อ่อนโยนรู้ความประสงค์ของผู้ขอว่าง่ายมีหน้าเบิกบาน มาดีไปดีพูดโต้อตอบได้ดีเป็นเนื้อนาบุญมีเมตตาจิตเป็นประจำและเป็นทักคินายบุคคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงบระ ง, งับกำจัดมิจฉาวิตกได้หมดทุกข์หมดตัณหาหลุดพ้นแล้วปราศจากกิเลสเป็นเหตุเสียแทงไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่คดไม่มีอุปธิหมดสิ้นกิเลสเป็นเหตุเนื่นช้า ได้บรรลุวิชาสามมีความรุ่งเรืองไม่มีชื่อเสียงปรากฏแม้ใครๆเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นปราดในหมู่ชนชาววัชีเขาพากันเรียกท่านว่าปราดส่วนพวกยักษ์และเทวดารู้จักท่านว่าผู้ไม่หวั่นไหวมีกัลยาณธรรมเที่ยวไปในโลกถ้าพระองค์ทรงถวายผ้าคู่หนึ่งรยสองคู่แก่พระมุนีนั้นทรงอุทิศส่วนบุญให้ข้าพระองค์ พระมูนีนั้นจะพึงรับคู่ผ้าเหล่านั้นและพระองค์ก็จะทอดพระเนรเห็นข้าพระองค์ผู้นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเจ้าอัมภะสักระลิชวีตระถามว่าบาัดนี้สมณะนั้นอยู่ที่ไหนเราไปแล้วจะพึงพบเห็นได้และสมณะนั้นคือใครจะพึงแก้ไขความสงสัยและความสนเทซึ่งเป็นเสียนน้ำแห่งความเห็นในวันนี้ได้เปรตนั้นกราบทูลว่า ท่านนั่งอยู่ที่ประปิณฑนานั่นมีเทวดาแวดล้อมเป็นจำนวนมากเป็นผู้มีเกียรติคุณอันแท้จริงและเป็นผู้ไม่ประมาทในคุณอันอัศจรรย์ของตนกล่าวทรมีกคาเจ้าอัมภะสักระลิชวีตรัสว่าเราไปแล้วจะทําตามที่ท่านสั่งนั้นเดี๋ยวนี้จะให้สมณนะนุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งพระมูนีนั้นจะพึงรับคู่ผ้าเหล่านั้น และเราจะพึงเห็นท่านผู้นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเปรตนั้นกราบทูลว่าข้าแต่เจ้าลิชวีขอประทานวโรกาสขอพระองค์อย่าได้เสด็จเข้าไปหาบรรปะชิตในเวลาไม่สมควรนั่นเป็นธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสำหรับพระองค์และต่อจากนั้นพระเจ้าลิชวีตรัสว่าเราจะเข้าไปพบบรรปะชิตผู้นั่งอยู่ในที่ลับณที่นั้นในเวลาอันสมควร พระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าครั้นตรัสแล้วอย่างนี้เจ้าลิชวีมีหมู่ฆ่าท่าบริพานแวดล้อมเสด็จไปในพระนคร น, นั้นครั้นเสด็จเข้าไปยังพระนคร น, นั้นแล้วจึงเสด็จเข้าประทับอาศัยในพระราชนิเวศของพระองค์ต่อจากนั้นพระเจ้าลิชวีทรงกระทากิจของครงหัตทั้งหลายทรงสงสนานและสวยน้าแล้วได้เวลาอันสมควร จึงทรงเลือกผ้าแปดคู่จากขีบรับสั่งให้หมู่ฆ่าทาตบริพาลถือไปพระองค์ครั้นเสด็จเข้าไปยังสถานที่นั้นแล้วได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะนั้นมีจิตสงบระงับเดินกลับจากโคจรคามเป็นผู้เยือกเย็นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามสมณะนั้นถึงความเป็นผู้มีอาพาธน้อยความอยู่สาราญและได้ตรัสกับสมณะนั้นว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมเป็นกษัตริย์ลิชวีในเมืองไภสาลีชนทั้งหลายรู้จักโยมว่าเจ้าอัมภะสักระลิชวีพระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าจงรับผ้าแปดคู่นี้ของโยมโยมถวายพระคุณเจ้าโยมมาในที่นี้เพราะต้องการความสบายใจที่โยมจะพึงสบายใจพระเทระทูลถามว่า สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันละเว้นราชนิเวศของมหาปิฏเสียห่างไกลเพราะในพระราชนิเวศของพระองค์บาทก็แตกและแม้ผ้าสังฆาติก็ยังถูกฉีกดทำลายครั้นต่อมาสมณะอีกพวกหนึ่งถูกมัดเท้าจับห้อยหัวลงสมณะทั้งหลายได้รับการเบียดเบียนที่มหาปิฏทรงกระทํากับบรรพชิตเช่นนั้น มหาปพิ์ไม่เคยพระราชทานแม้แต่น้ำมันสักหยดหนึ่งด้วยยอดยา่าไม่ตรัสบอกทางให้คนหลงทางชิงเอาไม้เท้าของคนตาบอดเสียเองเป็นคนตรนีไม่สำรวมเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรหรือเพราะทรงเห็นอะไรมหาปพิธจึงทรงจำแนกแจกจ่ายให้แก่อัตมาเล่าเจ้าอัมภะสักระลิชวีตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ โยมเบียดเบียนสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายโยมขอรับผิดตามที่ท่านพูดแต่โยมมีความประสงค์จะล่อเล่นไม่ได้คิดประทุษร้ายกรรมชั่วแม้นั้นโยมกระทำแล้วจริงเด็กหนุ่มเปลือยกายมีโภคาเพียงเล็กน้อยได้สร้างบาปกรรมด้วยการล้อเล่นจึงต้องเสวยทุกข์ก็เปรตนั้นจะมีทุกข์อะไรเล่าที่เป็นทุกข์ยิ่งกว่าความเปลือยกายนั้นพระคุณเจ้าผู้เจริญโยมเห็นสิ่งอันน่าสังเวช และผลอันเป็นมนทินนั้นแล้วจึงถวายทานแม้เพราะเหตุนั้นเป็นปัจจัยนิมนต์พระคุณเจ้ารับผ้าทั้งแดคู่เถิดทักษินา น, นี้จงสำเร็จแก่เปรตพระเทระถวายพระพ ร, พรว่าเพราะบัณฑิต ท, ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นสันเสริญการให้ทานไว้โดยมากแท้และเมื่อมหาประพิษทรงถวายทานขอให้ทานอย่าหมดเปลืองไป อาตมภาพ้รับผ้าของมหาปพิธทั้ง8ดคู่ขอทักษินาทานเหล่านี้จงสำเร็จแก่เปรตลำดับนั้นเจ้าลิชวีนั้นทรงบวนพระโอษฐ์ทรงถวายผ้าแปดคู่แดพ่พระเถระพระเถระรับผ้าแปดคู่นั้นแล้วและเจ้าลิชวีนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นเปรต น, น, นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเจ้าลิชวีนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเปรต น, นั้นลูบลายด้วยจุลแก่นจันทร์แดงมีรูปงาม ป ร, ประดาประดานุ่งผ้าอย่างดีขีมะอาชาในมีบริวารห้อมล้อมมีเทวริตมากพระองค์ทรงเห็นเช่นนั้นแล้วทรงปลื้มพระหฤรุไทยเบิกบานมีพระหารุไทยร่าเริงงามสงา่าได้ทรงเห็นกรรมและผลกรรมมากอย่างแจ้งประจักษ์ด้วยพระองค์เองจึงเสเด็จเข้าไปหาเปรตนั้นแล้วรับสั่งกับเปรตนั้นว่าเราจะให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย สิ่งไรๆที่เราไม่ควรให้ไม่มีเลยและท่านมีอุปการะแก่เรามากเปรตนั้นกราบทูลว่าข้าแต่เจ้าลิชวีพระองค์ได้พระราชทานสิ่งของอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ทานนั่นมิได้ไร้ผลข้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นอมนุษย์จกเป็นพยานร่วมกับพระองค์ผู้เป็นมนุษย์พระราชาตรัสว่าท่านเป็นตัวอย่างเป็นพวกพ้องเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นมิตรและเป็นเทพของเราเราขอไหว้อ้อนวอนท่านต้องการจะพบท่านอีกเปรกราบทูนว่าถ้าพระองค์จะเป็นผู้ไม่มีศรัทธายังกระด้างกระเดืองมีจิตดาเนินไปผิดขอเดชะเจ้าลิชวีพระองค์จะไม่ได้เห็นข้าพระองค์และข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วก็จะไม่จรจาด้วยแต่ถ้าพระองค์จะทรงเคารพธรรม ยินดีบริจาคทานเครื่องบำรุงอัตภาพเป็นเสมือนบ่อน้ําของสมณพราหมณ์ทั้งหลายขอเดชะเจ้าลิชวีเมื่อเป็นดังนี้พระองค์จะได้เห็นข้าพระองค์และข้าพระองค์จะได้เห็นได้เจรจากับพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยบุรุษนี้จากเหลาโดยเร็วเพราะการมหาบุรุษนี้เป็นเหตุเราทั้งสองได้เป็นพยานร่วมกันเพราะเหตุแห่งบุรุษถูกเสียบที่ลา พาพระองค์เข้าใจว่าเราทั้งสองนั้นได้เป็นพยานร่วมกันฝ่ายบรุษถูกเสียบที่เหล่านี้ถูกปล่อยโดยเร็วโดยทันทีและประพฤติ ธ, ธรรมโดยเคารพพึงพ้นจากนรกนั้นแน่นอนกรรมที่เว้นการให้ผลก็พึงมีได้พระองค์เสด็จเข้าไปหากับปิตกะภิกษุแล้วทรงถวายทานแก่ท่านในเวลาที่เหมาะสมประทับนั่งใกล้แล้วเชิญตรัสถามด้วยพระโอษฐ์เอง ท่านจักทูลความข้อนั้นแก่พระองค์พระองค์ทรงประสมบุญและมีจิตไม่ประทุษร้ายเชิญเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วตรถามเดิดท่านจักทูลธรรมทั้งที่ทรงสดับแล้วและยังไม่ได้ทรงสดับทั้งหมดแต่พระองค์ตามความรู้พระองค์ทรงสดับธรรมแล้วจักได้ตรัสบอกสุคติเท้าเธอทรงเจรจาความลับในที่นั้นแล้วได้เป็นพยานร่วมกับเปรตเสด็จหลีกไป ครั้นแล้วเท้าเธอได้กล่าวกับข้าราชบริพารของกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ใกล้ๆว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำอย่างหนึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากเลือกพรจากได้ประโยชน์บุรุษที่ถูกเสียบที่เหลาวมีกรรมหยากช้าถูกลงอาชญยามีสภาพที่จะต้องติดอยู่ร่ำไปเขาถูกหลาเสียบมาอย่างนี้ประมาณ20สิบราตรีจะตายหรือไม่ตาย เราจะปล่อยเขาด้วยความเต็มใจหมูชนจงอนุญาตตามชอบใจพระองค์โปรดจงรีบปล่อยบุรุษนั้นและบุรุษอื่นโดยเร็วและใครเล่าจะพึงว่ากล่าวพระองค์ผู้ทรงทำอย่างนั้นอยู่ได้พระองค์ทรงทราบอย่างไรขอจงทรงทำอย่างนั้นหมูชนย่อมอนุญาตตามชอบใจเจ้าลิชวีนั้นเสด็จเข้าไปยังสถานที่นั้นแล้วทรงรีบปล่อยบุรุษที่ถูกเลาเสียบ และได้ตรัสกับบุรุษนั้นว่าอย่ากลัวเลยเพื่อนและรับสั่งให้พวกหมอพยาบาลรักษาแล้วเสด็จเข้าไปหากับปิตกะพิกษุทรงถวายทานแก่ท่านในเวลาที่สมควรมีพระประสงค์จะทรงทราบเพศจึงประทับนั่งใกล้แล้วได้รับสั่งถามท่านณที่นั้นนั่นแหละด้วยพระองค์เองว่าบุรุษผู้ถูกเหลาเสียบมีกรรมหยาบช้าถูกลงอาชญ亚ีสภาพจะต้องติดอยู่ร่ำไป เขาถูกเสียบอย่างนี้ประมาณยี่สิบราตรีจะตายหรือไม่ตายโยมไปปล่อยเขามาเดี๋ยวนี้ตามคําของเปรตนั้นพระคุณเจ้าผู้เจริญจะพึงมีเหตุอะไรหรือที่เปรตนั้นไม่ต้องตกนรกถ้ามีเหตุขอนิมนต์ท่านบอกโยมเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญโยมกําลังรอฟังคํามีเหตุที่น่าเชื่อถืออยู่กัปติ ก, กะภิกษุถวายพระพรว่า เพราะยังไม่ได้เสวยผลกรรมเหล่านั้นจะไม่มีการสูญหายภาวะที่กรรมเหล่านั้นจะสูญสิ้นไปจะพึงมีได้ในโลกนี้ถ้าเขาประพฤติรำสม่ำเสมอโดยเคารพไม่ประมาททั้งคืนทั้งวันเขาจะพึงพ้นจากนรกนั้นไปได้และกรรมที่เว้นการให้ผลพึงมีได้พระราชาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญยมรู้ประโยชน์ของบุรุษนี้อย่างทั่วถึง บัดนี้ขอพระกุณเจ้าจงอนุเคราะห์โยมบ้างขอเรียกกล่าวตักเตือนพร่ำสอนโยมโดยวิธีที่โยมไม่พึงตกนรกด้วยเถิดท่านผู้มีปัญญา ก, กว้างขวางบปิตะกะภิกษุถวายพระพรว่าวันนี้ขอมหาปพิจงมีพระหฤทัยเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอันหนึ่ง จงทรงศึกษาสมาทานศิกขาบทหประการเมเฮขาดและเมเฮบกพร่องคือจงทรงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยพลันเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกไม่ทรงสวยน้ำจันทร์ไม่ตรัสเทศและทรงยินดีเฉพาะพระมเหสีของพระองค์อันหนึ่งขอจงทรงสมาทานอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ปอย่างประเสริฐนี้ซึ่งเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร ขอพระองค์จงทรงถวายจีวรบิณฑบาตกิฬานปัจใจที่นอนที่นั่งข้าวน้ำของกินของเคี้ยวผ้าและที่อยู่อาศัยในท่านผู้ปฏิบัติตรงทั้งหลายบุญย่อมเจริญทุกเมื่อทรงอังฆาภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะเป็นพระหูสูตรให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำบุญจึงเจริญทุกเมื่อ ผู้ที่ประพฤติธรรมสม่ำเสมอโดยเคารพไม่ประมาททั้งคืนทั้งวันอย่างนี้พึงพ้นจากนรกนั้นและกรรมที่เว้นการให้ผลพึงมีได้พระราชาตรัสว่าวันนี้แหละโยมมีจิตเลื่อมใสขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันหนึ่งขอศึกษาสมาทานศิกขาบทหประการไม่ให้ขาดและไม่ให้บกพร่องคือ ขอ ง, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์พลันเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่กล่าวเท็จและยินดีเฉพาะพัญญาของตนอันหนึ่งขอสมาทานอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8อย่างประเสริฐนี้ซึ่งเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรโยมจะถวายจีวรบินดาบาตคีลานปัจัยที่นอนที่นั่งข้าวน้าของกินของเคี้ยว ผ้าและที่อยู่อาศัยโยมยินดีในพระพุทธศาสนาไม่หวั่นไหวจะถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะเป็นพระหูสูตรเจ้าอัมภะสักระฤชวีทรงเป็นอุบาสกคนหนึ่งในเมืองภัยาลีทรงมีศรัทธาและมีพระอรัยอ่อนโยนเช่นนั้นทรงทำอุปการะบำรงพระภิกษุสงฆ์โดยเคารพในการนั้น บุรุษผู้ถูกเหลาเสียบหายโรคมีอิสระสบายดีได้บรรพชาแล้วแม้คนทั้งสองอาศัยกับปิตุ ก, กะภิกษุผู้ประเสริฐได้บรรลุสามัญญผลการคบสับปะรดเช่นนี้ย่อมมีผลมากแก่สับปะรดทั้งหลายผู้รู้แจ้งอยู่บุรุษผู้ถูกเหลาเสียบได้บรรลุอรหัตผลส่วนเจ้าอัมภสักระลิชวีได้บรรลุโสดาปฏิผล อามพะสะกรบเบะเปตวัตถุที่หนึ่งจบ